นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมบุตทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะัมบุตทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมบุตทัสสะสิลสมาธิปัญญาสัมปันโนอิทิปิโสภะวะอิมัสสะธมะ ปริยัศิสัทโะทุศายัสมันติจักจังธโมโตตัปโบตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตธรมมาธรรมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะได้จับตับฟังวัะธรรมศทศนาพันนาถึงสาธนาธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอันเป็นธรรมเบื้องต้นขั้นตำ่ำอ่าแต่ว่าเป็นแนวทางแห่งการที่จะนำเดินสู่ความรู้ธรรมที่สูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญา <c oughs> ศี่นั้นเป็นข้อห้ามตั้งแต่ศีลงห้าสิ่งแปดสิ่งสองร้อยสิ่สิบสองสองรอยี่สิบเจ็ดล้วนจะเป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงพยายามตั้งอุกตั้งใจอ่นั่งสบายๆปล่อยมือธรรมดาๆเรียกว่ามาต้องพนมตลอดไปการฟังเราใช้ สติเอาจิตใจของเราจดโจ่จับจ้องเอาสติของเรานี้เหมือนหลังคาเอาเสียงที่เทศนาเหมือนสายฝนเอาสองหูของเราเหมือนรางนา้ำเอาจิตใจของเรามัอนโอ่องตั้งไว้โจไว้เมื่อเสียงผ่านไปสติก็จับได้ ก็จะไหลลงสู่หูหูก็จะส่งไปสู่จิตแต่ จ, จิตของเราตั้งมั่นไม่เอ็นเอียงไม่ตะแคงน้ำตกมาตะลยดไม่ช้าก็เต็มโอคงฉันใดการฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกับการที่เราได้มาสัมผัสเรื่องราวเก่าๆแต่เอามาเล่าใหม่ เรื่องราวทั้งหลายที่พระ น, นําอมรเทศมาสอนกับญาบโยนตลอดไดะเวลายาวนานเป็นไม่ใช่ของใหม่ของเก่าสองพัน่าปีมาแล้วที่พระธรรมาพุเจ้าองค์ตรงตัดตรูแล้วได้นํามาเผยแผ่เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่มนุษยชาติที่จะทักัดกัน้นความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทั้งหลายที่เราต้องลําบากบนทนทุกข์กันทุกวันนี้วันนี้เราทั้งหลายมาถึงภูมนุษย์แล้ว ภูมิมนุษย์นีเป็นภูมิที่ต้องมาทำการาบำเพ็ญเพราะมนุษย์มีกายอันประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมีจิตมีกายมีพร้อมที่เราจะได้เห็นความทุกข์ทรมานของสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่ในร่างกายเหล่านีนะ้มันพร้อม ที่เราจะได้เห็นความจริงที่ว่าพุทธเจ้าบอกชาติเป็นทุกข์ขาความเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ไหมทุกตั้งแต่อยู่ในพ้องพ่อท้องแม่เรื่อยจาดับมาจนกระทั่งออกมาจากคันวันด า, าเมื่อครบกําหนดทศมาตศหรือสิบเดือนเก้าเดือนก็จะคลอดออกพอออกมาข้างนอกก็ทุกข์หนักเขึ้นไปอีกมันกระทบดินว่าอากาศและความแข็งกระด้างของ สิ่งกระทบสัมผัสเหล่านี้เมื่อเราเข้ามากระทบสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ถึงพูดไม่ได้แต่อาการแสดงออ ก, กแดงถึงความทุกข์เมื่อเราเมื่อเมื่อเมื่อพอได้สติขึ้นมาได้รับความจะบปวดหลดแล้วจากการสัมผัสกับโลกภายนอกสิ่งแรกที่เกิดสิ่งแรกที่เราจะเห็นได้ก็ ทารกนั้นถึงพูดไม่เป็นแต่ก็แสดงถึงความทุกข์ออกมาให้เห็นอมไม่มีใครเกิดมาแล้วโหรลาะลาดพอได้สติแล้วโหร่นั่นไม่มีมันจะร้องไห้เกิดก็ร้องไห้อืมพอเราพอเราทำพัสกับสิ่งที่ทำพัดเกิดทุกข์ขึ้นมามันก็แสดงอาการทุกข์ก็โดยการร้องพอร้องขึ้นมาเราก็จะเห็น สิ่งเสียงที่ร้องมันก็ร้องกูแย่กูแย่กูแย่กูแย่ะออกมาเพราะกู้แย่กูแย่สองมือก็กำสองเท้าก็ถีบแสดงถึงว่าจะต้องยึดจะต้องเหนี่ยวจะต้องกระเสือกกระสนจะต้องข้ามพ้นความทุกข์ยากเหล่านี้ไปให้ได้เกิดมาก็แสดงความทุกข์แล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆก็ทุกตามลําดับออืขึ้นมาพ่อแม่ก็ก็ต้อง น้ำบากตามไปด้วยจนกระทั่งถึงวัยเรียนถึงวัยที่จะให้ความรู้เราต้องเลี้ยงดูสารพัดทั้งให้การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นต้นแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่สุขเลยแต่ในขณะเดียวที่เรามีทุกข์นี่แหละมันก็มีสุขจากความสมหวังเล็กน้อยๆพอมันเทาเบ า, เบาความเครียดทางอารมณ์ได้ว่าง หรือบางคนก็ไปเปลี่ยนอารมณ์จากความทุกข์เหล่านี้ไปสู่ความเครียดไปฝ่าทูเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ไปสู่นึกว่าเป็นความถุกแต่มันเป็นเพียงจิตเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นหันไปเพลิดเพลินกับการเล่นเพื่อคลายเครียดแต่ที่จริงมันหายเครียดคลายเครียดจากความทุกข์อันนี้ก็ไปเครียดกับความทุกข์อันนู้นต่อไปอีกมันชีวิตเราเกิดมาเนี่ยล้วนแต่พุทธเจ้าบอกเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดเป็นทุกข์แล้วเจอปัญหาเจอผักใดๆก็อย่าละเมอเพ้อบนทนเอา แก่อพอเราแก้ทุกดับไปเราก็จะเห็นว่ามีความสบายขึ้นเล็กน้อยแต่ความสบายในโลกิยะสุข ต, ต่างนี้ไม่ใช่ของกิรั ง, ย, งยั่งยืนไม่ช้าไม่นานมันก็แปรผ่านไปอีกดีเราก็พยายามทำความรู้จักกับสิ่งต่างตรนี้ให้ให้ให้ให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งรึกซึงดวงจิตดวงใจจริงๆแล้วเราจะไม่ละเมอเพอบนเลย ปฐุมวัยเราก็ทุกอย่างหนึง่งมัดชิมวัยเราก็ทุกขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึง่งสู่ปัจฉิมวัยก็ทุกอีกอย่างหนึง่งเมื่อชราเข้ามาถึงก็เรียวกว่าชราปิชราติ ป, ปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์ถ้าคนไม่เคยแก่ยังไม่เห็นทุกข์เราก็ตรวดไปเถอะตรวจไปตามที่เขาบอกทาําวัดเช้าชราปิทุกขา ความแก่เป็นทุกข์พนาไปทุกครั้งความตายเป็นทุกข์ถึงคนตายไม่ทุกข์แต่คนอยู่เบื้องหลังก็ทุกข์มากจากความพัดภาคจากสิ่งที่เราลักต่างๆนี้ดังั้นความทุกข์หลายเหล่านี้ก็มีมันมีมาอย่างนี้ตั้งแต่ไมนยไหนมาพุทธเจ้าให้เราทําความรู้จักคุ้นเคยและไม่อไม่พยายามละเมอเพ้อบุญ เพราะมันเป็นธรรมชาติบนไปก็ทําอะไรไม่ได้มีแต่วิธีแก้อย่างเดียวแก้อย่างรายใช้มันทุกน้อยหน่อยแล้วพอพอทุกมันเบาเราจะเห็นสุขบ้างสลับกันไปอย่างนี้เกิดเกิดเือสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเรารู้จักฝึกหัดวัดิตใจของเราเข้าถึงความเปนจริงในในธรรมคาสอนพระเจ้าแล้วเราจะบรรเทาทุกข์ได้ตลอดไม่ว่าจะอยูเ่เนภาวะการเช่นใด อยู่ในร้าอิ่มก็มันก็มันก็เป็นสุขอย่างหนึ่งเวลาหิวมันก็สามารถทำให้รู้เห็นคว า, ามเป็นจริงต่างๆของของชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำคว า, ามเข้าใจถ้าเราทนไม่ได้กับคว า, ามหิวมันมีการติธรรมไม่มีเาธรมมรมไม่มีเมตตาธรรมไม่มีฮิลิโอตะปาคว า, ามหิวอย่างเดียวก็อาจจะทำให้เราพิบัติแปรผันทํารผิดศิผิดธรรมได้ อันนี้แหละมองให้มันเหตุเห็นเหตุของความเป็นจริงในชีวิตที่เราจาเป็นที่จะต้องศึกตาให้รู้แลวเข้าใจแล้วก็เราก็หลีกหลีหลีกนี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าทรงตรดรู้แล้วเหล่านี้สิ่งที่พระองค์นำมาเผยแผ่มากที่สุดนั้นก็คือเพื่อเอามาระงับยับยั้งความโลภความโกรธความหลงของมนุษย์ โลกโกรธหลงนี่มันเป็นพื้นฐานของกิเลสที่มันติดมันก็ติดวิญญาณของเราเป็นโลกชนิดหนึ่งที่มันติดมากับจิตวิญญาณถ้าโลกนี้ยังไม่ไม่หายไปจากจิตของเราแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องกําเริบเสด็จานมาจนได้โรคฟังโล ก, โล ก, โ, ลกโลกไม่สมหวังเกิดโกรธโกรธไม่โกรธคืนแล้วก็เกิดทิฐิเกิดมานั่นที่ตอนนี้เกิดทิฏฐิมานั่ ขึ้นมาแล้วโลคโกดหลงไอ้ตัวหลงมันเหมือนกับพัดอตัวโลคมันก็เหมือนกับวยอไฟไอตัวอโกดก็เหมือนกับไฟเสร็จแล้วไอ้ตัวพัดพัดให้ไฟลุกท่วมขึ้นมาลุกลุ่รว ด, วดเร็วลุกจนไม่อาจจะดับลงได้ก็คือตัวหลงตัวนี้เป็นตัวโมหะเรียกว่าพัดกระพือ ให้ความโกรธนี่รุนแรงขึ้นจนยากแก่การยับยัง้งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทิฏฐิตามมามานะทิฏฐิมานะานะความถือตัวถือตนชักจะไม่เอไม่ยอมกันแล้วแต่ น, นี้มานะตันหาความทะเยอทยานขันแข่งตามมาอีกอและอุ ป, ปทานความยึดมัน่นถือมัน่นที่เราไม่เกิดปดป่วย ละวางอะไรได้เลยสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เราอยู่กันไม่เป็นสุขเพราะอกแว้งถูกเถียงกันฆ่ากันปาดปหารกันกบเคาะเราไม่ไม่สามารถระ ง, งับยับยัง้งไอ้ความโลภความโกรธความหลงได้ทำทั้งหมดสี่หมืนแปดพันวรรมการพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ท่านมุ่งเน้นไปให้เห็นเหตุปัจจัยต่างๆของชีวิตจัดโลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมันมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทาให้จิตใจเล่าร้อนอืมไม่อาจยอมกันได้ถ้าตราบใดที่เรายังไม่ลดความ ร, ร้อนแรงเนี่ยลงเราจะาความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเหล่านี้ลงได้บ้างหรือเรายังไม่ได้รู้ทำคําสอนพระเจ้าอย่างแท้จริงนะต้องเข้าใจ เรายังไม่รู้หรอกถ้าเรารู้แล้วสิ่งนี้ต้องลดลงได้เพราะเราเห็นโทษของมันต้องเห็นโทษมันก่อนโลกเป็นยังไงโลกมันทำให้เราไม่มีฟันพอหิวตลอดเวลาถ้าตายขณะที่เราหิวเราโลกโมโทสันดับจิตลงไปจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นเปรตกลายเป็นพวกเปรตถ้าเราโลกแล้ว ไม่สมหวังเกิดโกรธตามมาตายขณะความโกรธครอบงำจิตใจตายไปเป็นอะไรยักษ์เป็นยักษ์แล้วพวกนี้ถ้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกรูปร่างไม่โสภาทางงามอัปลักษณ์ดูไม่ได้เพราะว่าความมืดมนของจิตใจที่ความโกรธครอบงำนั่นแหละแล้วลจิตนี้เองมันบันดาลให้จับจิ่งทั้งหลายเป็นไปตามอํานาจจิตดูเหนืออํานาจใจ ใจนั่นเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งมีหน้าที่ถูกฉีดเลยว่ารเราเรี้ยงกายเท่านั้นแหละแต่ไอจิตนั่นมันมีอำนาจเหนือรับอารมณ์มาจากความโลภมันก็ทำให้โลภมากไม่มีวันผ่อนคลายไมไต่ทุกข์อยากได้ขวายคว้าทั้งๆั้งที่ไม่ได้เป็นของเราคำว่าโลภในที่นี้หมายถึงอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนอย่างนี้เรีย ก, กว่าความโลภ ถ้าเราโลภเราโลภแล้วทําไปตามกําลังวัฒนาบารมีอยากได้ถึงนั้นถึงนี้ก็ไม่ทําพุจริตผิดศีลนธรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมุ่งตะแคงหาได้วยทุจริตกายวาจาใจของเราเออกมาเป็นสมบัติอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าไม่ชื่อว่าโลกมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกที่จะต้องมีสปปรรพสิ่งไว้เพื่อความเพื่อความอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนอาทรด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลาย นี่ยจะเห็นว่าศีลน่ะคือข้อห้ามการทําให้ศีลไม่ไม่ดาวคอยเป็นข้อปฏิบัติอืเป็นปฏิบัติแล้วเราใช้ความปฏิบัติตัวของเราถูกต้องศีลเป็นเครื่องระ ง, งับยับยั้งกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องระ ง, งับยับยั้งกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องอคัดแยก แยกแยะสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วเราดำโดนดำลงชีวิตด้วยเหตุผลไม่เอาอารมณ์มาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ใช้ไม่ได้รู้พอเราจิต ร, รับอารมณ์เราก็รู้อารมณ์เรารลบมานั้นมันเป็นถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเราก็พยายามกำจัดทำใจของเราถ้าอยากณนะที่จิตเศร้าหมองคุณหมดอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าทาอะไรถ้าทำไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะ อ่ามันจะผิดพลาดสิ่งที่เราควรจะตะนักให้ดีก็คือพุทธเจ้าท่านสอนมาสองพันกว่าปีแล้วไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อธรรมต่างๆที่เป็นพุทธภาษิตให้เราได้นำเอาไปนุทติเตือนใจเราเสมอเสม อ, อมใครเคยข อ, อเคยขอบใจค้นโกรธไหม ไอ้คนคนด่าไหมคนเขาดา่าเราเนะ่ยเามาช่วยขัดใจเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราจะให้เชี่ยหเห็นว่าจะเชี่ยอาจารย์จะเชี่ ย, จะจะ เ, ยหเห็นว่าคนด่าเขามีบุญคุณต่อเรามากมายเสี่ยงเสี่ยงมาขัดใจเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องจ้างไม่ต้องวานพวกนี้เอเขาอิจฉาเราเขาด่าเราเขา เกียรติเราเขาด่าเราอะไรไม่เป็นประมาณเราไม่ต้องเอามาคิดว่าเขาด่าถูกหรือด่าผิดแต่นั่นนะ่ยเป็นเครื่องขัดจิตของเราให้สะอาดถ้าเราทนได้มันอย่างคนเขาด่าเราเนี่ยเราก็บอกไอ้คนนี้มันชอบชอบพูดอะไรขัดใจเราขัดใจเราขัดใจคนนน้นขัดใจคนนี้ไอ้คําว่าขัดใจเนี่ยมันต้องใช้ของหยาบของที่มีเอามาขัด ขัดกายก็ใช้ใช้วัตถุอีกอย่างหนึง่งจะขัดใจมันต้องส่งเข้าไปถึงหูเข้าไปสู่ใจจึงจะขัดได้เพราะใจมันจะขัดด้วยแฝดด้วยตะบูด้วยแปลงอะไรก็ขัดไม่ได้ต้องเอาใส่เข้าไปเอาใส่ใจของเขาแล้วใส่เข้าหูเราออกจากปากเขามาใส่หูเราแล้วก็เข้าไปถึงใจเราแล้วเราจะรูปวิปิริยา ก็มีปฏิกิยาบ้างแหละเวลาเขาขัดเจ็บบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยๆก็ทนเอาสงสารเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เฉยๆโดยต้องสงสารเขาอีกด้วยโอ้คนนี้น่าสงสารจริงนะเสี่ยงจริงๆนะการขัดใจคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรขัดบ้านขัดช่องไปรับจ้างเขายังได้เงินได้ทองขัดใจนี่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับมาอาจจะได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา อาจจะได้ความเจ็บปวดอาจจะได้อะไรกลับมาความตายก็ได้การขัดใจ เ, เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะสงสารเขาพูดเขาอุตส่าห์มาขัดใจเราขัดบ้านขัดจ้องต้องไปซื้อเครื่องมือมาขัดต้องจ้างเขาขัดแต่นี่ไม่ต้องจ้างเลยเขามาขัดใจเขาให้เราได้ดยให้เราด้วยความเาด้ ย, ด, ยด้วยความเมตตาปราณี แต่เขาจะเมตตาไม่เมตต า, ตาเราเห็นเขาเป็นคนเมตตาปานีอุตตามาขัดใจเราเนี่ยคนนี้เขาขัดที่ใจเราจะสะอาดสะอาดอยังไงสะอาดจากความอ่อนแอเป็นความเข้มแข็งใจของเราจะได้มีขันติธรรมสูงขึ้นเขาด่าเท่าไหร่ใจขันติธรรมก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเขาด่าเท่ า, หาไหร่เมตตาธรรมก็สูงขึ้นเท่านั้นเพราะเราสงสารเขาคนดา่าเราก็ไม่ได้มีความสุขอืมเขามีแต่ความ เพราะมีแต่ความขุนข้องมองมัวอึดอัดขัดเคืองหุดหงิดมุ่งงานตนทนไม่ไหวต้องทลรั ก, กออกมาทางวาจามาใส่หูเราถ้าเมื่อเราไม่โกรธเขาเรารักเขาด้วยเมตตามโนโกรรมเกิดขึ้นในใจเราอคนนี้น่าสงสารจริงนเนาะเขาไม่ได้ ไ, ได้รางวัลได้เงินอะไรจากเราเราก็ไม่ได้จ้างเขาอุตส่าห์มาช่วยขัดใจเราเนี่ยทนายไม่เห็นคุณเขาละ เราต้องเห็นคุณคณดนด่าน้โยมนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เขาให้ของดีนะคดนดะ่าเขาให้ของดีแต่เราละไม่เป็นแล้วก็ไปดา่าตอบกลายเป็นคนเนรคุณเลยตอนนี้นี่จะเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะทําให้รู้ให้รู้อันนี้อันเดียวใช้ได้ตลอดไปเลยด้วยธรรมะอันนี้ใช้กับตัวเราได้ตลอดไปไม่ใช่เอามาฟังๆแล้วก็ผ่านหูไปเฉยๆไม่ใช่อันนี้เรา พอพอเราไม่โกรธเขาเรา ม, มีเมตตาต่อเขาตลอดเวลาอทีนี้คนเรามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาด่าเช้าด่าเย็นเราไม่เห็นเขาก็แทกเปียงปางหันไปเขาก็ทําปากจับจับบงังไกลๆหน่อยเราก็สังเกต ด, ดูเขาก็เกลียดเราเขก็ด่าเราเนี่นแหละอืมัถ้าใกล้ๆเขาก็พลกด่าให้ได้ยินใส่หูเราอืม เราก็ยิ่งสงสารเขามากขึ้นมากขึ้นจนวันเวลาผ่านไปคนเรามันโลกมันกลมมันจะต้องเจอกันตัวต่อตัวได้แห่งหนึ่งแห่งใดเจอตัวตัวนี่มาใช้ไหมายว่าเราอาฆาตพยาบาทก็เราจะคิดบัญชีเขาไม่ใช่นะสาหรับคนมีเมตตาถูกด่าเนี่ยแต่เขาเองนี่ยเขาเจอเราในที่เปรียวหรือในที่ตัวต่อตัวหามองซ้ายมองขวาไม่มีเพื่อนผู้ไม่มีใครจะมายับยั้งได้เออามีคนอยู่คนตะก้าเข้ามาไว้ฝากตะก้า คิดว่าเราคงคิดบัญชีเขาแน่วันเนี้ย<ๆ>เจอกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะด่ามานานแล้วแต่เปล่าเราคิดคนข้างกันเขาคิดต่างมุมในมุมตรงกันข้าว่ะวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะบอกโยมคนนี้ป้าคนนี้ลุงคนนี้ว่าเราไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่เราไม่ใช่เราพูดอย่างนั้นเราบอกว่าเราไม่ใช่บอกว่าน้าหน้าป้าป้าลุงลุงผมไม่ได้โกรธลุงลุงหน้าที่ลุงด่าผมอย่พูดอย่างนี้จะไปสะกิดแผ่เก่าคนเรามัน พิธีมันมีอยู่เราไม่ไม่ทาเป็นไม่รู้เรื่องเลยพูดทักทายก็ธรรมดาด้วยเมตตาปราณีในใจของเราเรามีความเมตตามานุกรรมพูดออกมาทางวาจาเป็นว่าเมตตาวาจีกรรมสวนทางกันมาสวนกลางกันปับใกล้ระยะที่จะพูดแล้วก็พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนไปไหนมาครับป้าไปไหนมาครับลุงเขาจะสดุดใจเลย นึกสะดุดใจเขาอาจจะสะดุดป๊บเขาจะมองต่ำเล็กๆหนุกน้อ ย, อยๆแล้วเขาก็จะคิดในใจว่าไอเด็กคนนี้ด่ามันมาตั้งหลายตะไรหน้ายังไม่อยากเห็นมันยังมาทักเราคำทักทายของมันก็ไม่บ่งบอกถึงความเป็นศัตรูมีวาจาที่อ่อนหวานมีกิริยาที่อ่อนโยนในใ น, ในเขาสัมผัสเรา คือเราไม่ได้บอกเราโกรธเราไม่โกรธแต่เราทักเขาเหมือนกับธรรมดาด้วยเมตตาในใจของเราเขาจะคิดไอเด็กคนนี้หน้าตายังไม่อยากเห็นมันเลยมันอุตส่าห์มาเดี๋ยวเขาก็ไว้ใจเราครึ่งหนึ่งและในขณะที่เราทักเขาด้วยความเมตตาวาจาที่อ่อนหวานเนี่ยเขาก็จะถามไอ้หนูทำไมลุงป้าก็ด่าเองมาตั้งนานเนี่ย ทำไมเองไม่โกรธป้าจะโกรธป้าทําไมเล่าเอ่าก็ป้านี่แหละทําให้ผมไม่จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงมีขันติธรรมสูงขึ้นเอีมีเมตตาธรรมสูงขึ้นมีความขยันมั่นเพียรในการละความโกรธมากขึ้นจนกระทั่งเอมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็เพราะเนี่ยเห็นไหมก็เพราะป้าก็เพราะลุงนี่แหละทํำให้ผมทําให้ผมได้มีวันนี้ ออมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงมีความเมตตาอยู่ในวันนี้ก็เพราะลุงกับป้าช่วยด่าผมนั่นแหละช่วยช่วยกันขัดจิตใจผมผมจึงมีวันนี้ เ, ออเราเห็นไหมละ่ะเขาก็ได้เขาก็ตัวเขาเองก็นึกในใจทันทีโอ้ยเด็กคนนี้ไม่ให้เราด่ามันตั้งนานยังเห็นเรามีบุญคุณนี่ก็เขาไมีบุญคุณสิเห็นไหมคนด่ามีบุญคุณเอาไหมอย่างนี้ เขามีบุญคุณต่อเราคนด่าเนี่ยเขาก็จะนึกย้อนไปถึงลูกถึงหลานเออไอ้ลูกหลานเราจริงๆริงแท้ๆด่ามันคำไปถ้าเป็นเดือนด่าคำไปเป็นปีเนะด่านี้หน่อยไปเป็นปีที่เราไม่โกรธไม่ว่าใครจะด่าเราด่าถูกไม่ถูกไม่เป็นประมาณไม่ต้องเอามาคิดถือว่าคนเหล่านั้นเขามาช่วยขัดจิตของเราให้สะอาดเมื่อเรารับมาแล้วก็ดูพยายามพิจารณาดู แล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นจิตใจของเราก็จะหนักแน่นมีเหตุมีผลมีเมตตาปาี้อยู่ในดวงจิตเรียกว่ามีเมตตาโมโนกรรมขั้นพูดออกไปจิตจังให้วาจาพูดเป็นเมตตาวจีกรรมโมโนกรรมกับวจีกรรมเป็นเมตตาตัวเดียวกันส่งไปกระทบหูของผู้พูดที่มีความดุร้ายความโกรธเคืองก็จะ หายคลายเครียดลงทันทีเพราะเราไม่ได้ใส่ความเครียดในคําพูดเหล่านั้นลงไปเราใส่แต่วความเมตตาปานีเยือกเย็นเขาฟังเขาก็ได้ยินเขาก็เยือกเย็นเป็นถูกใจเออแม้จะอยากว่าจะคนดุคนร้ายเลยเสื้อสิงก็จริงแรดช่างสัตว์ลายเข้ามาใกล้เราพูดกับมันด้วยเมตตาปานีมันยังไม่ทํำลายเลยโยม เมตตาตัวเนี้ยมันเป็นของใช้ได้ตลอดชีวิตนาโยมนะแล้วใครใช้ลงไปจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นทางลัดไปถูกความมั่งมีที่ถูกทางลัดไปถูกความสมหวังในชีวิตที่เราตั้งใจไว้ลัดไปถูกพระนิพพานด้วยเราไปศึกษาธรรมะที่ไหนที่ไหนก็ตามครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามที่พูดเกง่งสอนเก่งอะไรเกง่งแต่ถ้าเราไม่นําออกมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ สอนยังไงก็ตามพุทธเจ้าสอนพวกเรายังไงก็ตามถ้ท้ายอสามเกอกิเลสหยาบตัวนี้ไม่ไม่เบาท่าไม่บางเบาบางกับจิตใจเรายังไม่เชื่อว่ารู้ธรรมะเพราะยังมียังมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่จิตวิญญาณเราวันหนึ่งมันต้องทําพิษเราจนได้เธอโรคตาบใดมันยังไม่มันยังไม่หาจิตใจเรายังยังมีโรคยังมีโรคอยู่เนี่ยวันหนึ่งต้องประทุขึ้นเช่นความโกรธความโลกความหลง ปุถุขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราต้องเสียภาพพศ ต, ตัวเองเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของอืแทบจะฆ่ากันตายเมื่อไม่นานมานี้ก็วิธิมานะตัณหาวทานของเอคนนั่นแหละที่ไม่รู้ไม่รู้ผิดภัยของกิเลส้ายต่างๆเหล่านี้ไม่กลัวไม่ขยะแขยงไม่มีอะไรน่าจะเพึงกลัวขยะแขยงเท่ากิเลสตัณหามานะทิจิในหวัวใจของคนหรอกนายโยมวันหนึ่งมันจะทําลาย ไม่ใช่ทำลายตัวต่อตัวทำลายทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งเอตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งประเทศชาติราสนาด้วยถ้าปว่วยให้กินเหล่านี้มันไม่รังมงั บ, บยับยางหรกไม่เห็นพิษเห็นภยัยของมาแล้วเราเอามาใช้ตรอดเวลาปากแล้วก็ภัยมาแล้วก็เข้าถึงพระรันาตนตรัยพุทธทางสันนักชาติไม่เข้าพเจ้าก็ถึง พ, พระเจ้าพิะที่พึ่งธรรมทางสันนกชาติไม่เข้าเจ้าก็ถึงวัดธรรมพิะที่พึ่ง สังฆังธนังขจารไม่เข้าขจาวเถึงพระสงฆ์วันอาที่พึ่งพุทธธรรมะสังฆะนี่ได้แก่ละพุทธะไปเอาผู้รู้รู้อะไรรู้เหตุรู้ผลรู้แค่เนี้ยพอรู้เหตุรู้เหตุนี่นํำไปถูกความทุกขเบื้องต้นเบืองต้นทำกลางที่สุดของชีวิตเราอย่าทํารู้เหตุนี่จะนําไปถูกความสุขความเจริญเบื้องต้นทํากลางของที่สุดของชีวิตเราทําไม่ต้องรังเลจ่ายดีเล็กดีน้อยดีบฏิวัติทอดค่อยสะทกไปดีจริงๆก็หลุดพ้น จากเดชเพลิงทุกข์มาได้เองอันนี้สําคัญอให้เราพยายามพิจารณาให้มันถ้าเราไปศึกษาทำไ ม, มแล้วถึงสามสามอย่างนี้ไม่มันทาวางอีกสี่อย่างจะตามมาที่นิทิมาณนะตนนาณภาพตาอีกส่อย่างเนี่ยเออาผลใดจไม่เกิดจะเกิดขึ้นในในในในออในนวโคก้าคีขิปปฏิบัติเนี่ย เพราะฉะนั้นเราเข้าถูัธ น, นะเราต้องมีเอกลักษณ์มีธรรมมบัติเป็นเครื่องดำรงชีวิตให้เพียงพอต่อต่อการดำเนินชีวิตแล้วเราจะมีความสุขจะมีความสมหวังในสิ่งเราตั้งใจได้อย่างไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะผิดพลาดถ้าเราเชื่อพระวาดพระคำสองสองของพระพุทธเจ้าแล้วนำออกมาใช้มาปฏิบัติฝึกหัดมันเกิดขึ้นในใจของเรา เราจะเห็นไหมล่ะคนคนเหล่าเนี้เขาเขามีคุณกับเราหรือเปล่าคนดา่าพระเจ้าคนด่านะ่ะวเขามีคุณกับเรานะเออขอให้เรารับให้เป็นเหือนแล้วกันเรารับใหเป็นแล้วก็ดา่าต่อก็และการคนนี้แหละคุณพระเจ้าตัดพุทธพาติตไว้ตั้งหลายบทหลายบาทเรื่องของความโกรธโกโทรถถามลังโลเกทบอกความโกรธเป็นดังสนิมตราในโลกเห็นไหมสนิมมันเกาะมีดผากระทาขวานเกาะเอา่า อาวุธใดก็ตามเกาะกล้องรำปืนก็ยิงไม่ออกทหารเจ็ดวันต้องเอากล้องเ อ, เ, อเอาเอาเอาปืนมาขั ด, ดํำกล้องทีหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานมีดภ้ากระชาขวานถูกสนิมเกาะแล้วมันไม่คมแล้วหัวใจถูกกิเด็เกาะก็มืดมนอ น, อนทะการไม่มีปัญญาเจดตอบตัวเอาแต่กำลังบ้างเอาแต่อกุศลตอบตัวดามาด่าไปไม่จบหรอกยม เรื่องราวทั้งหลายไม่มีวันจบถ้าคนเราเราเราไม่เราไม่เห็นคุณของคนด่าแล้วมันไม่จบหรอกมันรักษาก็ไม่หายจริงไม่าขาดด้วยเขาด่ามาคําเราด่าไปคำเขามาห้าคำเราไปคํามาสิบคำเอาไปเอามามันไม่มาแต่ปากแต่นี่ทั้งมือทั้งเทา้ทาทั้งอาวุธตาขนก็ประหัดประหารกันแล้ตอนนี้ทางเวททางกรรมก็ไม่จบติ้น อากูทินาชินีโกทางบอกชนะคนโกโรธ ด, ด้วยความไม่โกโรธเห็นไหมพุทธเจ้าบอกชนะคนโกโรธ ด, ด้วยความไม่โกโรธขณะขที่โกธหน้าเขียวหน้าแดงระว่างนั้นเราอย่าไปโหรไปอะไรจำเนินจิตใจให้สม่ำเสมอเมื่อจิตใจใสม่ำเสมไม่โกรธไม่อะไรเห็นอกเห็นใจสงสารเขาเนี่ยบุคลิกของเราก็จะไม่เป็นที่เป็นที่ให้เขาเพิ่มความโกรธเพิ่มความเออ่ คนโกรธมันไม่มีเหตุผลหัวเราะมันก็ว่ายเอพูดว่ามันก็มันก็หาว่าจะจะทำร้ายมันเพราะฉะนั้นคนโกรธไม่มีเหตุผลเราอย่าไปพูดดีกว่านิ่งเงียบเงียบแล้วงสงศารเขาแล้วก็มีโอกาสแล้วค่อยๆแก้เขาหายให้ได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมโลกด้ยกันเห็นไหมอ่ะอกโกรธชนาชินีโกรธทางชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธ อีกภาษิตหนึ่งพรเจ้าตัดเอาไว้ว่าอะท่าทุงท่าทุนาชิเนชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมอือคนไม่ดีแต่คนไม่ดีชนะกันไม่ได้มึงด่ามากูด่าไปมึงดัาไปกูด่ามาเดียวเถอะไม่มีวันจบ ง, ง่ายๆไม่มีวันเลิก ง, ง่ายๆมันไม่ใช้ปากในที่ตุกตใช้มือใช้เท้าใช้าตาวุธใช้พวกใช้พร่องเข้าห่ําหันกันในที่ตุกติ ล่มจมล่มละลายกันไปข้างหนึ่งเนี่ยเราต้องการความถูกดับไอ้สามเสือนี่สะไอค้ความโลคความโกรธความหลง เ, เอาให้มันได้มันเหลือน้อยๆดีกว่ามันมัมนมันมีกำลังสูงอยู่ในหัวใจเราถ้าให้มันไม่เหลือเลยยิ่งดีใหญ่มันจะได้ไม่มาทำร้ายเราได้มันไม่มีเชื้อโรคเชื้อไฟกิเลสนี่ เชื้อโลกุดจิตในจิตใจเรานี่มันหาเครื่องมือเครื่องไม่จะมาจับวัดไม่ไ ด, ด, ไได้ไม่เหมือนเครื่องความโลกทางร่างกายโลกทางร่างกายจะเป็นโลกอะไรก็แล้วแต่วิเราะหอพิจารณาไม่นานก็นมีเครื่องมาจับได้ขยายได้เห็นได้เชื้อนั้นเชื้อนีอ้เป็นโลกนั้นโลกนี้แต่โลกจิตนี่เชื้อกิเลส ท, ที่อยู่ในจิตใจคนนั้นไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่จะมาตรองเห็นนอกจากกริยาแสดงออกทางวาจาทางกาย ทางการเคลื่อนไหวไปมานั่นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกของผู้รู้สายตาผู้รู้คนนี้ยังมุกิเล่นนะทันหามากขนาดไหนดูการเคลื่อนไหวดูการพูดดูการกริยาต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าสแสดงธรรมมักจะไม่ค่อยผิดพลาดบกพ้องเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นอ่าอ่าสัพพะทั้งหลายด้วยอ่าจิตใจของพระองค์ เนี่ยขอให้เราพยายามทุกคนอย่าได้มองเห็นข้ามไปนะคนไม่รู้ไม่สามกองนี่ไม่เบาบางอยากเข้าใจเรารู้ธรรมะคําสอนพุทธเจ้านะวันหนึ่งจะทําลายเราได้เราก็จะเอาสิ่งนี้ไปทําลายลูกเหมือนทาลายเมียบงังภรรยาด่าแล้วกว็นัง่งเฉยๆฟังซะดูสิจะด่าได้นานเท่าไหร่หนัง่งเฉยๆเออมันมาขัดใจเราทนได้ คนพันยาด่าได้โอู้หเราคนนั่งฟังเออมันจะด่านานแล้วเดี๋ยวก็หยุดถ้าเราตอบไปคําเดี๋ยวมันก็มาถึงสิบคำยี่สิบคำเอาไม่ไหวอะตันนี้ยเดี๋ยวก็มันไม่มาจะปากกันแล้วใช้มือใช้เท้ารําเข้าใส่กันเห็นไหมอืมวันนี้สามีด่ากันพันยาก็นั่งเฉยฟังเออเดี๋ยวก็หยุดไม่สามารถจะด่าต่อไปได้หรอก เพราะเราไม่เราไม่ตอบโต้เนี่ยคนก็ด่าไม่ได้ถ้าเขาดา่าเราต้องกระชายานค้ำมืดแล้วยังไม่หยุดเนี่ยแสดงผิดปกติต้องเอาไปส่งบ้านสมเด็จแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เกิดชั่ววันเหตุดธรรมดามันเป็นเรื่องของการที่เนี่ยโยมทําอย่างนี้ได้ไม่ทะเลาะ ก, กันเลยรักกันจนวันตายนะโยมนะเพราะกลัวเขาจะอบอุ่นด้วยลองคิดดูให้ดีนะอันนี้นําไปใช้ได้เลย ทั้งที่เราเคยถูกมาแล้วแล้วแล้วตาเนตไปเราจะไม่พยายามเอาสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์มาแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้หรอกตามาต่อไปมันแก้กันไม่ได้หรอกเขาพังกันไปข้างนึ่งทีนี้เรารักคนด่าเราเขาช่วยส่งเขาช่วยมาขัดใจเราเนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้มีคุณต่อเราแล้วเมื่อเราจะบอกให้เขารู้เมื่อสนทางกันอย่างที่ได้กล่าวนะเอ่า เขาก็จะถามแล้วว่าไอ้หนูทําไมพ่อป้าด่าเองมาหน้ายังไม่อยากเห็นเองยังมาทากาักไปเอ่อจังมันนั่นอีกเอ่เอยังไม่โกรธป้าจะโกรธป้าทําไมเราก็ป้ามีบุญคุณกับผมนาทิด่าผมเนี่ยทําให้ผมไม่จิตใจหนักแน่นมั่นคงได้ทุกวันนี้ถ้าผมทำใผมเมตตาของผมสูงขึ้นจนสามารถไม่โกรธป้าไดา้จนสามารถที่จะมีความขยนมันหมัน่นเพียรในการละความชั่วได้กับพ่อป้า เห็นไหมเขาได้เขาได้บุญคุณเขาได้บุญเอเขาได้ออ่ประโยชน์ต่อเราด้วยเขาด่าเราแต่เขาได้บุญกับเราด้วยที่ทําให้เราเป็นคนดีขึ้นเนี่ยแล้วเขาจะโกรธเราไหมล่ะโอ้ยเขาจะคิดถึงเราเปนเขาจะคิดไปถึงลูกหลานเอ้ยลูกหลานเราด่ามันทีมันไปเป็นปีเป็นเดือนไอ้คนนี้ด่าเท่าไหร่มันก็ไม่โกรธเราทั้งจำเนียงก็อ่อนหวานวัดกริยาก็อ่อนโยน ไม่พูดไม่บ่งบอกถึงความเป็นศัตรูเลยเนี่ยอันนี้โยมไปใช้คนรักเราทั่วเลยแม้จะไปพูดกับผู้หญิงด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความหมดจดทางจิตใจมีเมตตมีความรักจริงๆในหัวใจแล้วหลังออกไปทางวาจาพูดกับประตีขวายตรงเงินข้ามเนี่ยเขาก็เห็นใจดีมันติดตามถึงบ้านแตไม่ได้ใช้ใปฏิผู้หญิงหรอกนะใชใ่ให้เราใช้เพื่อระงับยับยัง้ง เรื่องเลวร้วายอยาให้มาเกี่ยวพ้องกับชีวิตเราทำได้ไหมล่ะลองดูสิแล้วโลกก็จะเกิดอันทีครอบครัวจะอบอุ่นหนทางเส้นเดินรัดไปถูกความสำเร็จในชีวิตของเราอยู่ตรงนี้แหละเหมือนกับทางลัดที่จะไปออกถนนโน้นถนน น, นนี้นะมันทางตรงอ่ถ้าเราเดินตามทางอ้อมก็ไปนานอด่าไปด่ามาแล้วไม่อายุติได้ด้วยดีไม่ดีก่อเวรสร้างกรรมกันไป อาฆาตพยาบาทจองเวียนองกรรมกันไปมาจบทิ่นเว้นวไาวตายเกิดว่าอย่างนี้แหละเจอกันก็ฆ่ากันอีกเจอกันด่ากันอีกอืมนี่มองให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วเราจะรู้เบือ่อหน่ายต่อไป น, นี้เราไม่เอาใครแล้วเออคนนู้นด่าดก็เชย่ อ, อฟังแล้วก็สงสารเขาถ้าเขาด่าเราจก็เช้ายานันคาคนนี้ผิดปกติแล้วต้องพยายามเอาไปโรงพยาบาลบ้านสานเด็จนี่ได้ไม่งั้นก็จะไม่หายอืม ตัวอีกรูปแบบหนึ่งแล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงศีลข้อห้ามการที่ไม่ล่วงศีลเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติต่อศีลให้ศีลบริถุดมุดนั้นแล้วศีล น, นี่เองที่พระเจ้าตัดไว้ตรงท้ายศีลเนสนุกติงยันติอยู่อย่างเป็นสุขสงบที่เรนโพธรรมชาติศีลยังภูคระตมบัติันเกิดขึ้นด้วย ที่เรนี้ผู้ติงยันติถิ่นนำไปถวมกผลนิพพานเป็นปฏิปทานำไปถวมกผลนิพพานด้วยการลรปฏิบัติต่อองค์ศี่เหล่านี้แหละให้ถิ่นบริสุทธิ์หมดจดแต่มานั่งสมาธิก็สบายไม่มีนิวรณ์มาก่อกวนใจไม่มีความผิดในอดีตต่างๆเหล่านี้ไปนั่งสมาธิขึ้นมาพรจิตจะสงบพับไอ้นิวรณ์คว า, ามผิดพลาดบกพร่องเราจะมาเกิดขึ้นทันทีที น, นและการปฏิบัติธรรมของเราไม่ใช่เอาอดีตมาปฏิบัตินะโยมต้องเอา ปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่เอาอาดีตที่เราเคยทํามาแล้วดีเท่าไหร่ไม่ดีอย่างไรอย่าเอามาทําตรงนี้การปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมเสมออย่าเอาอาดีตมาปฏิบัติบางทีอดีตเราทาไว้ดีแต่ปัจจุบันเราตั้งใจเท่าอย่างดีต้องการจะให้มันเป็นเหมือนอย่างอาดีตให้เรามีปิติมีความสุขขั้นทําไปยิ่งอยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เรา ไม่ประสบผลนุ่มเรยจะเกิดความพุ้งซ่านเดี๋ยวก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความเพียรเลิกดีกว่า น, นอนดีกว่าเนี่ยทํามันกิจวัตรประจําวันเพื่อให้อาหารใจให้อาหารทางทางจิตใจของเราอาหารกายเราให้เช้ากลางวันเย็นอาหารใจควรให้มันสักมืออ้อนึงเวลาที่เรามีเวลาก่อนรับก่อนนอนกระดานตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะออกจากที่นอนลุกลขึ้นมานั่งวอร์มอัพตัวเราถน่อยขึ้นมานั่งตั้งสติให้มันคงเดี๋ยก่อน ทำใจผงแผ้วทักนิดหนึ่งให้ใจเขา้า ใ, ใจออกให้มีสติสักหน่อยแล้วค่อยๆขับเคลื่อนร่างกายออกจากที่นอนไปทํำมากินจะมีแต่ความเออ่อกระชับกระเฉงจะมีแต่ความเเออกระปร้กระเป๋าอไม่มืดมึนมืด ม, ม, ม, มนวโอนการเดินออกไปอย่างมีความหมายพอเราออกไปจากที่นอนเราติดใจเราแช่มทื่นเบิกบานเนี่ยมันบุ ค, คลิกเราก็จะดีไปด้วย บุคลิกเราก็ดีด้วยจิตใจมันระเหียอ่อนเพียเอออย่างนี้ออกไปมันก็บุคลิกเราก็แย่สีสันวันนะก็ไม่ให้ว่าจิตเนี่ยสําคัญที่สุดนะโยมเราต้องพยายามฝึกจิตของเราคําว่าฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยฝึกให้มันทนต่อคําแช่งด่าของคนเหล่านั้นทนเท่าไหร่อดอดทนอย่างนี้มันใช่อดไม่ง่าย อดทนถูกทุบถูกตีฝึ ก, ก, ก, กปักทางร่างกายทีสองทียังอาภัยกันง่ายนิดเดียวแต่ทางใจนี่โอ้โหโดนเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ของจะเอะจะอะลดลงได้ง่ายๆถ้าเราไม่พยายามต้องพยายามอยู่เพราะเพื่อความสุขของเราเพื่อความความเจริญก้าวหนังแล้วไม่เราทําไม่ได้เชียวเลยต้องทําได้สิอืให้เรามีมาความมั่นใจอย่างนี้เราก็จะมีความ ออสําเร็จในชีวิตได้รวดเร็วเนี่ย อ, อยากให้โยมเข้าใจตรงนี้ก่อนเบื้องต้นการทําสมาธิเป็นทําจิตทําเป็นสิ่งทําการศีลสมาธิสมาธิาธาธคือทําจิตของเราตั้งมั่นฝึกจิตเข้าไปทุกวันทุกวันให้มีสติคนมีสติก็จะมีสมาธิง่ายสมาธิเกิดขึ้นปัญญาของเราก็จะเกิดตามมาด้วย มันจะเพ่งสมาธินะเพ่งมาตรงไห น, นจะเห็นความจริงในถิ่งเหล่านั้นมันก็จะก่อให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาก็จะเห็นความเป็นจริงในสัพพติจริงทั้งหลายกิเลสทั้งหลายพุทธเจ้าไม่ได้ว่าให้เราละนะแต่ให้เรารู้เท่าทันขันหน้าพระพุทธเจ้าพุท้ให้รู้เท่าทันลูกเวนารัญญาทั้งการวิญญาณเนี่ยไ ม, ม, ม่มีสติปัญญารู้เท่าทันละไม่ได้หรอกลูกละรูปจะเอาจิตมาตั้งที่ไหนละ่ะ จิตก็อาศัยลูกรูปก็จิตอาศัยกายกายอาศัยจิตถ้าจิตคนคนใดมีความเลี้ยวตดาดปาดเปืองฝึกอเอวยดีร่างกายของเราก็จะมีความตุกและจะยืดยาวการใช้งานได้ยาวนานจะ ด, ด้วยเนี่ยมองให้มันธรรมะเราต้องใช้นะ่ะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไปใส่พวกใส่หอมันไม่ใช่ธรรมะมีมากใช้มากความบกพร่องจะลดลงน้อยติมีมาก ขาดสติก <whim> ็มีน้อยวัตเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราถ้าสติเราชนรอกไปไหนมาไหนติระวังทั้งวอนทํารวมตลอดเวลาเอ่ตจาว่าจะนั่งนอนยืนเดินจะพูดกินท่วงทายต่างๆนี้มีสติไว้เสมอปัญญาจะเกิดตลอดเวลาในการกระทําในอิยาบทนั้นๆในภารกิจนั้นๆเราจะเห็นความละเอียดปอ่นของภารกิจการงานแบบนั้นอย่างแจ่มแจ้งองแต่เราก็จะได้แก้ไขตัวเองได้ทันท่วงทีกับวันเวลาที่ถูญเสียไปอืน พุทธเจ้าท่านให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทพรวนพระโอษพระองค์จะปิดพระโอษลงในเวลาสุดท้ายตอนจะาริณิพานท่านก็บอกพญะอุญญาตธรมมาทังคาลาทั้งการทั้งหลายไม่เทีย่ยงอภมาเดนะธัมปาดีถะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดนี่เห็นไหมชีวิตเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราประมาทแล้วเนี่ยเราก็ยากที่จะ ทำตัวของเราเก้านะพุทธเจ้าว่าเรารู้ตอนไหนให้รีบทําความดีต่อยอดไปเลยอขณะเราเกิดมาเราทํากรรมทําเวรเคยฆ่าทัดตัดชีวิตมากมายแต่กรรมต่างๆเราไม่ทันเรารู้ตอนไหนท่านบอกให้เลิกถ้าคนไม่เคยทําบาปโลกนี้ไม่มีในโลกเราทําไม่ถ้าเราไม่มีบาปเราไม่ได้มาเกิดออกบาปมันมีมาตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันในชาตินี้แหละถ้าเราม า, มาเกิดมาเป็นนู้แล้วอย่าทําบาปอีกอย่าไปต่อยอดบาปต่อยอดความดีไป ทั้งที่ความดียังเหลืออยู่เนี่ยต่อยอดไปเลยทําบาปแล้วบาปยังไม่เกิดอนะัจฉดงความดียังเหลืออยู่เรารู้มีสติตอนนี้แล้วพอปู่เราถล่มไปไหลไปนานแล้วนั้นเนี่ยยังไม่เคยทําเพิ่มเติมบา ร, รมีเข้าไปสู่เออ่คทางนี้เลยในจิตใจเราเลยเนี่ยเราไม่เคยเพิ่มเติมมิจฉาใช้ใช้ใ ช, ใ ช, ใชไปมันก็เริ่มจะหมดถดถอยบา ร, รมีก็ค่อยๆ อ, อ่อนล้าไปเมื่อเม่บารีมันถดถอยสัญญาณเตือนภัยก็จะมาถึงเราแล้วเออ่ รายได้เคยได้สม่ำเสรอตรงๆทุดๆดุ จ, ดจงักร่างกายเคยใช้สะดวกทำบวลดีก็เกิดเจดด็บปวดป่วย่าย้ทุกคนสภาพจิตใจเคยเยือกเย็นเป็นสุกเล่าร้อนถูกกิเลสเผาผลาญตลอดเวลาเนี้ยหาความสุข ท, ที่ไหนล่ะสุขอย่างนี้ไม่สุขจริงหรอกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็แปรผานไปแล้วนั้นขอให้เรามีสติปัญญาแล้วเราจะรักษาความสุขความความสบาย ความยั่งยืนยาวนานของสิ่งที่ดีงามในตัวของเราได้ยาวได้ได้ยาวไปไม่จนกว่าจะถึงวาระทุดท้ายของชีวิตทุกคนหนีไม่พ้นในที่ตุดทุกคนเดินไปทิงตัวเทียนทางเดียวกันแล้วถึงเวลานั้นเราจะได้นอนยิ้มได้ถึงที่ตุดหมายปลายทางแล้วเรายังไม่มีอะไรเป็น เป็นอนุตติไม่มีอะไรเป็นอุดมสิดอุดมการ์เลยยังมีนิมิต ท, ที่ดีโดยก่อนเวลาจะตายเนี่ยคนเราจะตายต้องมีกรรมานิมิตก่อนคิดถึงนู่นคิดถึงนี่เคยทําบุญให้ทา น, นักษาที่นเดินภาวนาเคยสร้างกุติมีหารธราการที่ทิพยสถานเราตั้งแล้วทิพยธาตุเราทําแล้วเออแล้วก็อาทานแล้วก็ให้แล้วจากมนุษย์ไปนี่ไม่ได้ทำเราไนยมจะบอกให้ไปหาไปดูในพระจัยปิกเถอะ ไม่มีรอกเทวดาต้องไปทั้งสถานวิมานที่ไหนไม่มีรอกยิ่งชั้นถูงเท่าไหร่ยิ่งไม่ต้องทําอาหารก็ไม่ต้องกินเพราะอะไรมันอิม่มอิ่มทิพเขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นทิพพยะสมบัติโอ้ยินเสียงก็อิ่มไปถึงใจตาเห็นโลกอิ่มไปถึงใจจมูกได้กินอิ่มไปถึงใจเพราะความหอมความอะไรเหล่านี้มันไม่เป็นที่น่าเบื่อเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์หอมอย่างไรหอมอามมะลหอมกลิ่นลาตีเอามาดมใกล้ๆเดี๋ยวก็ ขึ้นไส่มันเหมือนแล้วก็เกิดความถ้อิ่ะเอีย็นขึ้นไส่แล้วถ้าอยู่ใกล้ๆก็ดูว่าหอมหน่อยแต่หอมในสวรรค์มันไม่มีวันเบื่อนายมันหอมไ ม, ม่วันอิ่มตลอดเวลาเลยมันจะไปกินอะไรอาหารที่เราทําไปนี่มันก็รอเราอยู่นี่แหละกลับมาเมื่อไหร่เราก็ได้รับอีกถ้าเราทํำมาไว้เคยได้ไ ด, ได้ได้กองทุนมูลนิธิไว้วัดหนึ่งวัดใด แล้วเราไปเป็นเทวดาไปต้องกีก่กับกี่กานในดอกผลเรหลุลนโลกนุษยนามากเท่าไหร่กลับมาดีมันดีตกเบิกครับได้ทั้งรูปดีเสียงดีปัญญาดีตกบนสมบัติเก่าก็ได้ต่อยอดไปถูกความหลุดพ้นได้รวดเร็วภูมิธรรมกันโสดาบานันพวกเราจะทําไม่ได้เอารู้เหตุรู้ผลสองอย่างาเป็นโสดาบันแน่นอนและอย่าไปทําเหตุที่ชั่วดูเหตุนี้จำจำไปสูกความถูกความเริมเบืบ้องต้นเต้นทางกาที่สุขความคิด ทำไปเลยดีเด็กดีน้อยดีปัสิาวอดีกับตัวเองดีกับลูกกับหลานดีกับพ่อกับแม่ดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ดีอย่าปล่อยออกจากตัวเราให้มันดับดิน้นสิ้นไปในจิตใจของเราใจของเรายังไม่สะอาดพอยังมีสิ่งปนเปนืป่อนอย่าเพิ่งพูดพูดเดี๋ยวสิ่งหัวใจเราจะไปเอาของปนเพื่อนไปเปรอะหูเปรอะตาเขาเราต้องรักษาคนอื่นด้วยรัาตัวเราให้พ้นภัยด้วยรักษาคนอื่นไม่เขาเจ็บปวดให้เขาให้เขาได้รับ ่าความทุกข์มาจากเราด้วยอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําไม่ยากหรอกรู้เหตุรู้ผลทั้งอย่างเป็นโธดาบันบอกให้รู้เราจะไม่รู้ใช่เลยไอ้ น, นี้เป็นความชั่วนําไปถูงความทุกข์บนต้นทางการที่ถูกทุกข์เรจะทำทำไมละ่ะทําเพื่ออะไรเราก็ไม่ทําที่เรารู้จริงๆเราไม่ทำเราไม่มีใครไม่มีใครอยากทำทุกคนต้องการความสุขนละนนั่นแหละเขาเรียกว่าเดินทางไปถูงความดับเดินไปถูงพันิพานเดินไปถูงความเปลือยลุ่งเหลือง ก่อนถึงปฏิาพาณเป็นสติก็เป็นเบื่อไปถวันก็ไปจนเบื่อจะบอกให้รู้มันจะไปนรกจนเบื่อฝาจะได้ขับมายากไปแต่นี้ทาําความดีตั้งแต่มันเทือนถวันน่นเ อ, อเหมือนอานาถวิริกาทําบุญทำกุศลยิ่งทําท่านก็ยิ่งได้ยิ่งทําท่านก็ยิ่งได้ทําจนกระทั่งร้อนถึงเทวดาร้อนถึงพระอินทร์ต้องรีบลาเลียงครับจินไม่อันถวิริกาเพราะว่า ทำย่อมคุ้มครองผู้่ผู้ทำไม่ตกไปใ น, นที่ชั่วอืทำดีแล้วจะตกไปในที่ชั่วไม่มีหรอกโยมแล้วพิถุดได้เลยถ้าเราทำดีไม่จริงอย่าไปโทษนะว่าบุญเราทำแล้วเกินแล้วบุญไม่ช่วยเราแต่ขณะเดียวกันที่เราทำบุญทำบุญทำบุญเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำหรือเป่าเกิดไว้เป็นที่เป็นทางหรือเปล่าเวลาจะใช้เคยเอามาใช้หรือเปล่าแล้วเจอทุกข์เจออะไรขึ้นเลยเคยอธิษฐานมาใช้หรือเปล่า บุญนี่ต้องอธิษฐานออกมาใช้นะโยมไม่ใช่ว่าเงินในธนาคารเงนินธนาคารเรายังต้องเอาสมุดไปเบิกมันจะได้ใช้บุญที่เราตั้งสมว่าในดวงจิตดว ง, งใจธนาคารภายในนี่เราเป็นกําลังกําลังหลักของชีวิตทีเดียวแม้ว่าเราจะยากจนสมทับสินภายนอกแต่ภายในเรามียาลัยทับมากมายเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขหลุดพ้นไปได้ด้วยอํานาจบารมีที่เราตั้งสมไว้ไม่ช้าไม่นานเราก็จะผ่านพ้นปัญหาบุักต่างนี้ด้วยแรงอธิษฐาน ก่อนเราจิตฐานแล้วก็้ออมากกก็็็่ประเมินให้หมดสิ่งที่เราทําลงไปนี่ว่าเราทําอะไรมาบ้างาแล้วก็เราตั้งทศกัณฐ์ดิฐานด้วยอํานาจฐานวันมีสีนวันมีที่ข้าพเจ้าทาแล้วเหล่านี้อ้างอิงเอกมาให้หมดเราตั้งทศกัณฐ์ดิฐานลงไปขอให้ความมตตจงประเกิดแก่ข้าพเจ้าหรือเราจะทําขยายจีการอะไรให้มันสูงตรงนไปอีก เราต้องการรลีเข้ามาส่งเสริมเราก็อธิษฐานสิขอให้ความรุ่งเรงเกิดแก่ข้าพเจ้าในจิตุกเราก็ตั้งควาอภิษนาอย่างนี้แล้วเราดูผลไม่ช้าไม่นานสำเร็จได้รวดเด็ยวเพราะมีพลังบุญเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนทิ้งตาวนี่เราต้องมีความดีเพียงพอต้องมีคันติเพียงพอในการขับเคลื่อนชีวิตเราจึงจะไม่ก่อให้เกิดความอ่อนแอขึ้นมาได้ในการดํารงชีวิตเราต้องมีความขยันมั่นเพียรเพียงพอในการที่จะส่งเสริม เอ่ากิจการเราให้ก้าวหน้าแล้วต้องมีเมตตาธรรมเพียงพอที่เราจะดึงดูดอ่าทรบทัตทั้งหลายไม่ให้กระเมินหน้าหนีเราจะไปทําอะไรเขาก็มีเมตตาสงสารที่จะมาช่วยสนับสนุนเพราะว่าเรามีเมตตาธรรมอยู่ในใจของเราอย่างลึกซึ้งนี่แหละขอให้ญาติโยมได้จดจำล้ำลึกไว้เสมออันใดที่เป็นประโยชน์นําไปใช้แก้ไขเสียก่อนนมวิจัยจะหมดลงในระยะ ไม่เกินร้อยปีดอกทุกคนเนี่ยนีไม่พ้นแล้วก็ถึงเวลานั้นจะได้นอนยิ้มคนบาปนอนยิ้มไม่ได้ดอกชักตาเหลือกตาปิ้นกว่าจะตายได้ก็อดโอยโขนขวนคลางคนมีบุญเขาจะนอนยิ่งเงียบเงียบพราะอะไจิตเขาขณะจะตายเขาแยกไปอยู่กับกองบุญแล้วไปนึกไปนับสมบัติเขาอยู่แล้วกําลังนอนนับสมบัติได้ทําบุญที่นั่นให้ทานที่นี่เรื่อกรรมมันยังมิ ออจิตมันแยกอ่ะทางร่างกายถูกลูกไฟค้ายจิตเบียดเบียนใกล้จะแตกดับลงเนี่ยเขาก็ไม่อนาถน้นใจนอนตายอย่างสงบนิ่งนั่นแหละไม่ต้องไปนั่งเทียนสองคนนี้ไปสู่สุกตินแน่นอนจากมนุษย์ไปถึโงโลกภูมิโลกอยากกลับมาโลกนุษต้องรักษาถี่นท่ากบฏถิ่นนยโยมนะเออถ้ายาวเราอยากยังห่วงยังห่วงแล้ว่วงหลานห่วงสมหวังพระธรรมในโลกนุษแล้วอยากจะกลับมาทุกข์อีกก็ รักษาทีห้ากบฏตินรกเขาไม่ไปหรอกเพราะมมนมีความผิดเราก็ได้กลับมารุ์นี่แหละแค่ทีห้าได้กลับมารุนโล ก, โลกนุษย์แน่ถ้าเพิ่มผมหา 4, ยสีดต่บไปอีกสองได้ไปเซลล์โลกผมมมโลกแน่นอนเลยแล้ววันนี้ก็ได้พูดธรรมะมาพอสมควรเพื่อจะเตือนจิติจกิาจิตใจของเราทั้งหลายที่กำลังพูดว่ายกับความผันผวนของโลกที่มันรวดเร็ว จนเราแทบจะตั้งตัวกันไม่ติดเนี่ยปขอย่าตนกตกใจมีสติเข้าไว้ทําอะไรมันจะได้ไม่ตนกตกใจแล้วมันจะได้มีความเจริญก้าวหน้าความผิดพลาดบกพร่องลดน้อยถอยลงขอทุกคนเจริญทำคําสอนพุทธเจ้าโดยทูลถึงกานเอวันก็มีดัประกาศาะนี้เอเ อ, เ อ, เอมีอะไรสงสัยเปล่าธรรมะที่พูดวันนี้ธรรมะเพื่อให้นำเอาไปใช้ในกิจวัตประจําวันของเราให้ได้